3.2 จความแตกต่างระหว่างการประคองกับการรู้ตามจริงการประคองกับการรู้ตามความเป็นจริงต่างกันมากเลยเริ่มตั้งแต่ทำไมประคองคนที่ประคองก็คืออยากดีอยากปฏิบัติอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากได้โลภะมันนำหน้าส่วนสภาวะแห่งการระลึกรู้ไม่มีกิเลสนำหน้า มันรึกรู้ขึ้นมาเพราะมันจำสภาวะได้ไม่ได้จงใจประคองไว้กำหนดไว้มีความจงใจฉะนั้นเป็นการกระทำกรรมทำกรรมปัจจุบันกรรมใหม่นี่ขณะที่การรึกรู้รูปกับนามมันทำงานไปไม่ใช่เราทำงานที่เราทำคือการตามรู้ส่วนการประคองงานที่เราทำก็คือเข้าไปจัดการมันเราเป็นคนทำแต่การตามรู้รูปนามมันเป็นคนทำเราเป็นแค่คนดู ดังนั้นเรากำหนดเมื่อใดเราประคองเมื่อใดก็คือเราทำเองผลที่ออกมาก็ไม่เหมือนกันพอมีกิเลสมีการกระทำกรรมก็มีวิบากแน่นๆทื่อๆนี่สร้างภพขึ้นมาอันหนึ่งแล้วเราก็ค้างคาอยู่ในภพอันนั้นเราคิดว่าอยู่ตรงนี้นานๆแล้ววันหนึ่งเราจะได้มรรคผลนิพพานขณะที่การระลึกรู้นี่รู้รงปัจจุบันมันไม่ได้คิดว่ามันจะได้อะไรได้แค่รู้ได้แค่เห็นในที่สุดได้ความเข้าใจ เข้าใจแล้วมันวางไปขณะที่อันหนึ่งประคองเอาไว้เรื่อยๆมันเข้าไปเกาะเอาไว้ไม่ยอมวางในขณะที่การระลึกรู้รู้แล้ววางสภาวะพอกระจายโดยละเอียดนี่ต่างกันเยอะมากในความรู้สึกของเราถ้าเรายังไม่ชำนาญเรารู้สึกเหมือนพลิกนิดเดียวแต่ถ้าเราฝึกมากๆเข้าจะเห็นเลยมันต่างกันเหมือนความมืดกับความสว่างเหมือนความสูงของฟ้ากับความลึกของเหวไม่เหมือนกันต่างกันเยอะ อันหนึ่งเจือด้วยโลภะอันหนึ่งไม่เจอืออันหนึ่งเกิดเจตนาเกิดการกระทากรรมอันหนึ่งไม่ได้เจตนาผลที่เกิดขึ้นมาอันหนึ่งเกาะเกี่ยวยึดถือไว้อันหนึ่งปล่อยวางออกไปต่างกันเยอะนะสติสมาธิปัญญาก็ต่างกันอีกสติอันหนึ่งจงใจไปกำหนดไม่ใช่สติตัวแท้เป็นสติที่ปรุงแต่งขึ้นมา สติอีกอันหนึ่งเกิดจากจิตจำสภาวะได้แล้วสักว่าระลึกสมาธิอันหนึ่งเข้าไปตั้งแช่เอาไว้ในตัวอารมณ์สมาธิอีกอันหนึ่งตั้งมั่นในการรู้อารมณ์ไม่เหมือนกันปัญญาอันหนึ่งเจือด้วยความคิดปัญญาอีกอันหนึ่งเกิดจากการเห็นการแปรปรวนไปของสภาวะอย่างเราชอบเติมความคิดลงไปชอบกำหนดซ้ำลงไปถ้าแยกสภาวะแล้วรายละเอียดต่างกันเยอะ